ใจของคนบางคนนี่ร้ายกาจร้ายกาจมากท่านพูดถึงทุทตกุมาร น, นะทุทตกุมารทุตตะแปลว่าชั่วยาบนะก็ใช้คำตรงศัพตรงคำแปลเลยทุตตกุมารเป็นโอรสพระเจ้าปณินองหนึ่งเป็นคนโหดร้าย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 สันตติวงต่อโอ้มันรู้จะแก้ไขยังไงลูกชายของเราเนี่ยมันหยาบชั่วหยาบแล้เกินมันไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยมันเอาแต่ตามใจตัวเองร้าายกาจมากบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครเอาสักคนแหละมีแต่คนรังเกียจมีแต่คนด่าด่ารับหลังเนียไม่มีใครชอบใจพอใจสักคนหละนั่นคือความชั่วร้ายของคนะ่ะ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 เหมือนกับจับลิงใส่กระดงงละมั้งนิสัยไม่มีที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพูดจาอะไรกับพระกับอะไรก็ไม่มีแหละเลยพาไปหากไม่กล้าขัดขืนเลยไปแต่ก่อนก่อนไปนั่นแนะ่ะได้ไปคุยไปสนทนากับท่านก่อนนั่นแหละรอบแรกเนี่ยได้ไปก่อนนั่นแหละรอบสุดท้ายวาระสุดท้ายวันหลังนะ่ะจึงจึงได้พาลูกไป พารถไปเพื่อให้ได้ฟังคําธรรมะคําสอนจากจากพระปัจเจก์อะพระปัจเจกก็คือพระอรหันเนี่ยท่านดูอะไรท่านดูทะลุปลุกโลกอือย่างนี้เกิดอย่างนี้แก้ไขอย่างงี้อันนี้อย่างนี้แก้ไขอย่างนี้อันนี้นี่แก้ไขอย่างนี้พ อ, นนอาวาระต่อมาก็เลยพาลูกพาลูกไปก็เลยขอร้องให้ลูกอยู่กับพระปัจเจกสักคืนนึง แต่ก็แนะนําพระประเจียงเลยว่าช่วยบอกช่วยสอนลูกด้วยบอกลูกในชั่วอยากมากไม่มีใครเอาด้วยสักคนเลยคนในวังคนในเมืองไม่มีใครเอาด้วยสักคนมีแต่คนก็แช่งเขาด่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะให้ปกครองดูแลบ้านเมืองได้ยังไงอืมพระประเจียงท่านก็ทราบแนละ้วท่านก็ทราบแนละ้วพอวันหลังก็พาไปพาไปก็ไปกราบไปพูดไปคุยไปสนทนาปราสายนิดหน่อย ก็เลยวันนี้อย่าให้ลูกให้อยู่ให้ลูกอยู่กับพระคุณเจ้าสักหนึ่งคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับอ่าพรุ่งนี้จะมารับเสร็จแล้วก็หลาไปลากลับลูกไปอยู่กับพระประจริจิองแหละลูกชายเนะี่ยทุตตะุ ม, มานะ่ะพระปิจเจงท่านกันลาฉลาได้ท่านชวนคุยท่านชวนพูดอ่าเจ้าชายได้ออกมาข้างนอกบ่อยไหม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 แต่ไม่กล้าโกรธให้กับพระให้ไปโกรธให้ต้นเสดาเนี่ยนะนะไปตกไปตีไปดึงไปฉีกต้นเสดาจนมุนมัดว่างั้นเถอะอืทีพระปฏิเจร่างก็เลยถามอา้าวเจ้าชายทําไมทําอย่างนั้นนะ่ะโกรธให้ต้นเสดาเหรอโกรธให้ต้นเดาเอาต้นเสดาจนมุนมัดนะพร้อมทั้งทุบทั้งตีทั้งพูด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 เจ้าชายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละขมเหมือนรสสะเดา น, นั่แหละมีพิษมีสงเหมือนรสเสะเดา น, นี่แหละเหมือนรสของต้นสะเดานี่แหละเดี๋ยวนี้คนใกล้ชิดคนข้างเคียงบรมวังสารวงตลอดจนประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาไม่เอาเจ้าชายแล้วเพราะเจ้าชายนี่มีพิษร้ายยิ่งกว่าต้นสตเดาอีกวกข้าหาตัวเลยตอนนี้โอ้ยจิ้มไปที่ ใจที่ตรงตรงเลยก็เลยเ ร, เริ่มเริ่มอ่อนยุบจิตใจก็เริ่มอ่อนจนต่อคําจนต่อเหตุผลเหมือนันเถิดจนต่อเหตุผลก็เลยสอนเพิ่มเติมไปได้ความสํานึกพอรู้สึกรู้ว่าสํานึกแล้วก็สอนเพิ่มเติมไปอคนใกล้ชิดบรมวงสานุวงให้เราปฏิบัติต่อเขาให้ดีปฏิบัติต่อเขาให้ถูกประชาชนบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งปวง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 ตรัสรู้เองเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแต่ไม่ตั้งศาสนาเ น, นี่นยรู้รือยังยมองทุกอย่างทะลุปลุกปลงสัพพัญญอรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือรู้ทะลุปลุกปลงรู้บายรู้วิธีรู้บายรู้วิธีอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าพระพุเจกาพะาพะุทธะแม้แต่พระสาวกเนี่ยท่านก็ดูทะลุปลุกปลงหมดนะ <c oughs> ลุงตาเราสมัยท่านช่วยชาติ สมัยบ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่องไอเอมเอนะ <c oughs> สมัยบ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่องไอเอมเอฟนะี่ <c oughs> ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านรู้วิธีแก้ไขว่าทําไงจะดีขึ้นทําไงจะได้ทําไงจะดีขึ้นท่านดูอย่างทะลุ ป, ปูโรงทําทยัางไงทําทําไงจะได้ทํางไงจะดีขึ้นคือคิดออกวิธีการคิดออกแต่คนที่จะตามเนี่ยตามได้ไหมท่านดูออกทะลุผูโ ป, ปรงหมดว่าคนจะแก้ไขยังไง ในที่สุดพอท่านเริ่มพาทมผู้เราก็ตามไปตามพู้ตามท่านไปอย่างอย่างสละเป็นสละตายเหมือนกันนะบางครูบาอาจารย์บางองค์นวิ่งเหนือลงใต้วิ่งใต้ลงขึ้นอีสานลงกรุงเทพวิ่งทะพุทธภือวิ่งอะไรวิ่งวิ่งไปดูไปติดต่อไปประสานงานให้ท่านไปเปิด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 มันิเขาใส่ไปในหมอ้อมันก็ซึมซับอยู่ในนั้นอ่ะมันมีฤทธิ์เอาตายได้แต่เรามองไม่เห็นมันดอกเท่านว่ า, ามันมีฤทธิ์เอาเราตายได้แต่เรามองไม่เห็นไอกเกลียส่วนที่ละเอียดที่มันอยู่ข้างในลึกๆมันก็นเหมือนยาพิษนี่แหละท่านพูดเป็นอุปมาให้เราฟังเราฟังไว้เราก็ฟังไว้เป็นกลุยหมายปลายทางาความหลงของจิตเราเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเรารู้ไปเถอะ ทั้งที่เราดูเรารู้อยู่โร่อยู่เฉพาะหน้านะ่ะตั้งใจอยู่เราก็ยังอยู่บนเส้นทางของความหลงนะเราเอ้เราหลงเราหล ง, เ, ลงเอไม่รู้จะหลงตรงไหนอะไรตรงไหนรู้ไม่ออกรู้ไม่ออกหลงยังไงหลงตรงไหนคือความมันไม่ฉลาดไม่ฉลาดรอบด้านรอบทิศรอบทางไม่ฉลาดรอบด้านรอบทิศรอบทาง หลงยึดรูปหลงยึดนามที่ท่านพูดสรุปสรุปเมื่อกี้นี่แหละหลงยึดรูปว่าเราว่าของของเราว่าอัตตาตัว ต, ว ต, วตวนของเราหลงยึดนามว่าเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อกี้ Sherlock ท่านพูดสรุปสรุปและก็หลงยึดจิตหลงยึดรูป คือหลองยึดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มันมารวมกันแล้วเป็นรูปแล้วก็หลงยึดนามน้ำก็คือกิริยาของจิตนั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท้าเรียกว่ามันมีแต่นามมีแต่ลักษณะมีแต่กิริยาอาการนะมันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้ท่านจึงเรียกว่านา้ำแต่ไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นกิริยาอาการของจิต หนึ่งหลงรูปสองหลงนามสามหลงจิต ห, หลงรูปหลงนามหลงจิตลงตาท่านวินิจฉัยว่าพระูปเจ้าทรงแสดงธรรมอนัตตลัคณะสูตรเนี่ยท่านไม่ได้พูดละเอียดไปถึงใจแต่ถ้าแสดงอาทิตตะปริยายะสูตรเนี่ยท่านมีกล่าวถึงเบื่อหน่ายในรูป เบื่อหน่ายในเวทนาในสัญญาณเบื่อรูเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในกลิ่นเบื่อหน่ายในรสเบื่อหน่ายในสัมผัสแล้วก็เบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในใจที่ท่านว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดท่านวินิจฉัยยังนี่เราก็ฟังไว้เป็นคุยหมายไพร่ทาง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 ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายแลือเกินว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราอต้องทะนุต้องถนอมเจ็บไข้ได้ป่วยมากะทุกหาดูอยู่หายยาออยากอ้วนอยากพีอยากผิวอยากผ่องอยากสวยอยากงามอพออ้วนพอพีพอขาวพอผ่องพอสวยพองามพอสะดวกสบายขึ้นมากะตีดออกตีดใจ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 มีแขนมีขามีลำตัวมีส่วนน้นมีส่วนนี่มีส่วนนี้ส่วนนั่นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นอวัยวะเกิดมาสำหรับทำการทางานของมันตาสำหรับเห็นรูปหูสาหรับได้ยินเสียงจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้นสาหรับรบิมรสกายผิวกายผิวพรุ์ของร่างกายสาหรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง แล้วก็ใจสําหรับน้อมนึกเนี่ยใจสําหรับน้อมนึกแล้วก็พิจารณาย้อนมาตรงนี้พิจารณาดูรูปอืเราสําคัญรูปนะ่ยเราแบบเป็นเราว่าเป็นของเราสําคัญว่าเสียงนะ่ยว่าเราได้ยินได้เห็นรูปได้ยินเสียงว่าเราเราเราเร า, เรานะี่ยเราก็หลงเพลินกันอยู่อย่างนี้เราไม่ได้เจาะลึกเข้าไปอีกว่าไอ้สิ่งที่มันว่าเรานะ่ะคืออะไรเราพยายามเจาะลึกย้อนลึกเข้าไป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 ในเมื่อประสบพบเห็นเหตุปัจจัยถึงขนาดนี้แก้ปัญหาถึงขนาดนี้แล้วไอ้ปัญหาข้างหน่อมข้างหน่อมเป็นปัญหาหยับหยาบดูแป๊บเดียวทะลุบุบโปรงหมดก็เหมือนอย่างพระประเจกท่านแก้ให้กับกุมาร น, นั่นแหละท่านดูแป๊บเดียวทางกับทะลุบุบโปรงหมดแล้วจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงถึงจะถึงก้นบึ้งของหัวใจของเด็กของกุมาร น, นั่นน่ะนี่เราดูความปรีชาสามารถของท่านที่ท่านรู้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 สิ่งที่ชอบใจพอใจมาเสพความสุขเข้าไปที่จิตคือผู้รู้นี่เลยไหมหลงไม้มหลงมากโอกาสที่เราจะเห็นเป็นธาตุโอกาสที่เราจะเห็นเป็นอาการเช่นอย่างอาการสามสิบสองเนี่ยมันเห็นได้ยากมันหล ง, งทั้งทั้งที่เราเห็นเห็นรู้รูอยู่นี่เยมันหลงมันพาเราหลงเราดูง่ายๆว่าเราภาวนาพุโทโธตั้งใจจะให้อยู่กับพุโทโธว่าไปว่าไปว่าไปอ้า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 ที่รูปธรรมกับนามมันทำเขาสัมผัสสัมพันธ์กันอ้อใจอ๋อความนึกคิดภายในใจหมันก็นึกคิดนึกปรุงนั่นแหละใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันปรุงออกมาในลักษณะของอาการของจิตที่ที่สันว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นมันเป็นนามขันมันไม่ใช่ธาตุรู้แท้แท้มันไม่ใช่ผู้รู้แท้แท้มันไม่ใช่ตัวจิตแท้แท้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 มันกินไส้เราว่าเราเห็นไฟแท้จริงไม่ใช่ไฟไอ้ที่เราเห็นนี่เราว่าเราเห็นไฟไม่ใ ช, ไใไไใช่ไม่ใช่ไฟอเราจะรู้ว่าเป็นไฟต่อเมื่อเราเอามือเราไปสัมผัสอ๋อนี่แหละไฟนี่ร้อนนี่แหละนี่แหละร้อนร้อนนี่แหละไฟนั่นะถ้าเราจะเทียบกับนา ม, มาขันให้เช่นเดียวกันตัวนี้มันไม่ใช่จิตอ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 กับสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือจิตที่มีความสงบมีความแนบแน่นกิเลสมันไม่มมไม่แย่งไปทำงานกิเลสมันไม่ไม่แย่งไปทำงานเพราะจิตที่มันได้รับความสงบนั้นเป็นจิตอิ่มจิตไ ม, หไมห่หิวไม่หิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสเราจับผู้รู้เราจับท้ารู้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 กิเลสมครองโลกพราะงัมันถึงมันถึงติดค้างอยู่ในโลกจิตใจของพวกเราเนี่ยถูกกิเลสครอบเพราะฉะนั้นเราตกค้างอยู่ในโลกกิเลสทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงในครองโลกแต่ทำข้ามพ้นโลกไปได้อืมธรรมะคู่แข่งขันพอถึงหลักใจสุดท้ายอ่าอะไรเป็นนอะไรเป็นฝ่ายชนะอะไรเป็นฝ่ายแพ้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 รับฐานเข้าไปฉันเข้าไปอ้าวฟาดอย่าพิษอีกแล้วอยาพิษของกิเลสก็คือมันแทรกไปกับอารมณ์ของใจของเรานี่นแหละหลงสําคัญว่าอนนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้อ้าวฟาดอย่าพิษไปอีกแล้วอ้าวฟาดอย่าพิษไปแล้ ว, ว, ลวนี่คือฤทธิ์เดีดของความหลงมันไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนยาพิษแทรกในอาหารลวงตาตงท่าน เ, เทียบท่านเปียบที่เราฟังเมือืมนี่แหละพอ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 ว่าเ ป, งงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชั้นนั้นชั้นนีองงน้อย่างนั้นอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสังที่ท่านเรียกว่าที่ท่านเรียกว่ามานะม า, นะมานะนระาไปดูในมานะมันละเอียดมากที่ท่านพูดเอาไว้อามานะเก้าที่ท่านพูดถึงมานะเก้าเนี่ยตัวเองตอนเสมอเขาสําคัญสําคัญว่าเสมอเขาไอค้คำว่าสําคัญเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละมันพาหลง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 มันเป็นกิริยาสัจธรรมฝ่ายสมุทัยทำให้เราดึงมันออกได้ยากมากก็ใส่อวิชชาความลุ่มหลงนัง่นแหละไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวมันละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจละเอียดมากเนี่ยมันละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจเลยความสำคัญอันนี้สามเลยน ะ, อะตอนดีกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขา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 เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดเป็นอุปมาว่าตราบใดก็ตามกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามโอกาสที่จะมาขัดสีตรงนี้ให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมที่ละเอียดลึกขึ้นไปกว่านี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนบุรุษต้องการไฟเอาไม้สดชุ่มด้วยอย่างและยังแช่อยู่ในน้า หรือไม้สดชุมด่มโดยยางทั้งสองอย่างนีง่แหละเอามาเสียให้เกิดไฟทั้นบอกว่าเนื่อยเปล่าเนื่อยเปล่าเนื่อยเปล่าถ้าจะเทียบกับบริวิทน้ำในเรือวิทไปทั้งทั้งที่ยังไม่อุดรูทะลุของ เ, อเรือเรือนั่นแหละรูโวทะลุเข้าไปน้ำใหม่ทะลักเข้าไปน้ำเก่ามีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มันต้องการจะให้ใหน้ําหมดวิดน้ําออกวิสอะไรมันก็ไม่หมดเพราะว่ามันมีรูทะลุเข้าไปมันมีมันมีช่องมันมีรูทะลุเข้าไปเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อตรงแนวไปสู่ไปสู่หนทางที่ท่านสั่งสอนเอาไว้คือท่านให้อุดรูรั่วอุดช่องของรูของรูของเรือรที่น้ํามันทะลักเข้าไปเมื่อรอุดได้แล้ว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 กายยังไม่ออกจากกามหมายความว่าเรายังคลุกคลีอยู่กับครอบครัวจิตยังไม่ออกจากกามหมายความว่าจิตของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่เป็นเรื่องของครอบครัวหัวเมียมีลูกมีเต้ามีอะไรต่ออะไร น, นี่เขาเรียกว่ากา ย, ยไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกาม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 ในเมื่อ น, น้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าวิ่ออกวิ่ออกสัหน่อยก็หมดทำให้เรือเราเบาสบายข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นได้อย่างสะดวกสบายนี่ท่านอุปมาท่านเปรียบเทียบนะบุุรษที่สามมีกายออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดทำความเพียรย่อยหย่อนทำไปทำไปทำไปแล้วก็หยุดทำไปทำไปทำไปแล้วก็หยุดเหมือนบุุรษเอาไม้แห้ง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 ใส่ขี้ฝุ่นขี้ฝอยเอาไปปากเป่าคุได้ใยใช้ท่านพูดถึงความเพียรที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำเพื่อเกิดความพาคความเพียรเพื่อให้ได้มรดกได้ผลต้องดำเนินตามบุุษคนที่สี่บุษคนที่หนึ่งยังใช้ไม่ได้บุษคนที่สองยังใช้ไม่ได้มาทำให้เกิดปัญญายานเกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้เนื่องจากว่าเราขัดสี เท่าไหรมันก็ไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นก็วิบวิบแป๊บแป๊ปมีความร้อน น, นิดๆหน่อยๆแล้วหายไปร้อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไปนี่อีกอันหนึ่งก็คือทําหยุดทําหยุดทําหยุดท่าหยุดเราดูว่าเราเป็นเทียบกับบุรุษประเภทที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามหรือที่สี่นี่เราจะได้รับคําตอบเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขปฏิปทา ของเราเพื่อจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมมติสมหมายภายในจิตของเราการบรรพชาการออกบวชบวชเนนท่านเรียกว่าบรราันปชาบวชพระท่านเรียกว่าอุปสมบทอุปสมบทอเข้าไปรักษาบทสิกขาวินัยอุปสมบทอุปสมบทเข้าไปรักษาสิกขาบทวินัย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 ทุกยุคทุกคราวแม้พุทธิยาของเราท่านก็ออกบําเพญ็ญบวชเป็นฤาษีฉีพรายมาทุกระยะสมัยที่ตั้งตั้งความปรารถนาเป็นปรารถนาสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธนะเนี่ยพระองค์ก็เป็นฤาษีเป็นดาบบดาบบกับฤาษีก็ประเภทออกบําเพญ็ญเหมือนกันนั่นแหละสุเมธาดาบนะวชนัยสมุชาติเป็นสุเมธัตดาบวนะัยไหมทรงฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้เพนละ่ะ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 สุมเมศดาบดเหาะมาทางอากาศมาเห็นเอ๊ประชาชนเนี่ยเขาทำอะไรลงมาถามทราบความว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระวิปัสสีจะเสด็จผ่านตรงนี้ก็เลยพากันทําถนนลนทางก็เลยไปช่วยเขาอยากได้บุญอยากได้อานิสงส์ไปทําแล้วก็เสียสละอย่างเอาเป็นเอาตายเลยแหละทําไปทําไปทำไปไปเหลือช่องขนาดเอาตัวพาดเป็นสะพานเอาตัวเองเนี่ยทอดเป็นสะพาน เพื่อให้พระวิปัสสีเนี่ยเสด็จข้ามไปแหละแล้วก็ไปขออยู่ตรงนั้นอ่ะไปขอเอาตัวเองทำเป็นสะพานอืมอยู่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้ดิบดีแหละตั้งใจจะเอาตัวเองเป็นสะพานทอดให้ท่านเดินผ่านเข้าไปพอพระวิปัสสีเสด็จ ก, กับพระสาวกห้าร้อยเสด็จผ่านมาก็เอาตัวเองนอนทอดเป็นสะพานเลยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆพระสาวกห้าร้อยเนี่ยผ่านไปจนหมด ขาดใจตายตอนนั้นพอดีนะรูปสิ่เจ้าก็เลยทํานายาว่าดาบทผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธในยุคนน้นในสมัยนูน้นนะีก็ได้ยินตั้งแต่นั้นมาก็สร้างบา ร, รมีออกป่ากตั้งแต่นั้นมาสร้างพระบา ร, รมีออกป่ากนะพุทโธโหมิอนาคเติ์ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธ ในอนาคตการให้ได้บรรลุเป็นพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่คือฤาษีคือดาบต้นต่อที่พุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการบวชนั้นจึงเป็นธรรมเนียมประจสิ่งที่มีประจาอยู่ในโลกมีอยู่สามหนึ่งทานสองบรรพชาสามมาตาปิตุ ป, ปัฏฐานสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลก ทานคนเกิดมาในโลกต้องมีการให้ทานอเวลาอยู่คลุกคลีกับการมคุณทั้งหลายทั้งปวงเบื่อนายก็มีช่องทางที่จะออกคือบรรญชาแล้วก็มาตาปิทุปทานคืออุปธรรมอุปถากบำรุงบิดามารดาเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงเลี้ยงท่านตอบทำรองวงสกุลของท่านอ ศึกษาศิลปะวิทยาให้สมกับที่ท่านเียสละส่งให้เราหาวิชาหาความรู้ทำตัวให้เหมาะสมสมผลจะได้รับทรัพย์รับมรดกของท่านแล้วก็สุดท้ายท่านตายแล้วทำบุญอุทิศให้กับท่านนี่มาตาปิตุปฐานอันนี้มีเป็นกติมีมาอยู่ปริจามโลกเพราะฉะนั้นคนที่จะมีจิตระดับถึงว่า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 จิตของเราที่เต็มแปร่ไปด้วยกิเลสนะถ้าเราจะเที่ยวก็ไม่ต่างกับเทียนพอถูกไฟมันก็อ่อนด้วยเทียนถูกไฟมันก็อ่อนยุบเทียนถูกไฟมันก็อ่อนยุบนะมันถูกไฟกินทำทั้งหลายทั้งปวงที่มันยังไม่มีกําลังพอมันก็ถูกกิเลสกินอกินจนหมดนั่นแหละขมือก็ไฟกินมันก็ไฟกินคิ้พึ่งกินเทียนนั่นแหละ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 แต่เราพยายามตอกก่อนกับยุ่งข้างในนะ่ะน่ะตัวสำคัญร้ายกาจที่สุดให้สมน้ำหน้าภพชาติมันมันโง่โอกาสที่จะได้อาจได้ทำตามพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นพระพุทธเจ้ามากมายเท่ากับมาเลไซีแม่นม้ำโขงคาตัวเองเป็นซุกหัวอยู่ไหนกันมาลูกสมน้ำหน้ามาเลยแหละอ่าก็เป็นวิธีหนึ่งคิดเอาพิจารณาเอาพูดเอาสอนเอา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 t h a